อันไหนมีใครที่กำลังจะบวชบ้างไหนยกมือให้ลุงดูหน่อยโอ้โหเยอะจังเลยเยอะมากเลยโอ้เอามือลงได้ครับเก่งมากเลยคุณลุงก็โมทนาด้วยนะครับโมทนาก็เป็นการแสดงความยินดีนะครับยินดีในการที่คนอื่นเ้าจะทำสิ่งดีๆขึ้นมาเป็นบุญเราก็โมทนา เ, าเขาเนี่ยเราได้บุญในฐานะที่เรามีใจยินดีนะครับ โมทนานด้วยแล้วรู้ไหมว่าเวลาบวชเนี่ยเขาจะต้องโกนคิ้วด้วยเห็นรู้ใช่ไหมครับแล้วรู้ไหมว่าจริงๆแล้วพระประเทศอื่นไม่มีประเทศไหนโกนคิ้วเลยมีประเทศไทยโกนอยู่ประเทศเดียวรู้ไหมว่าทำไมรู้ไหมไม่รู้ครับไม่ใช่พระไทยอยากเท่นะครับไม่ใช่พระไทยอยากเทก่กว่าประเทศอื่นมันมีเรื่องประวัติศาสตร์ครับ สมัยอยุธยาอายุธยาเราเราลบกับใครจาได้ไหมพม่าครับจริงๆแล้วคนพม่าเขาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ลบกับอยุธยานะเขาบอกว่าพวกหงสาวดีอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะจริงๆแล้วมันมีเมืองเมืองที่เขาแยกแยกแยกันอยู่แต่เราเรียกลมรวมว่าพม่ม า, า, มารบกันเนี่ยเวลาเขาสู้รบกันเขาต้องมีสายลับรู้จักสายลับเจมส์บอลอะไรพวกนี้ไหม อ่าใช่ไม้มเราต้องมีสายรับส่งไปเพราะมาะเขาก็ส่งสายรับมาแต่นี้ทำยังไงไม่ให้ไม่ให้ประชาชนสังเกตว่าคนนี้เป็นพวกเป็นคนแปลกหน้าเขาก็ปลอมตัวเป็นพระครับ<ม>เขาก็ห่มจีวรมาเลยทีนี้ห่มจีวร ม, ม, มาแล้วโกนหัวเนี่ยมันก็แยกไม่ค่อยออกแล้วครับโอ้อ น, นีเพราะว่าถ้าเป็นแต่งตัวเป็นชาวบ้านมันจะรู้อุย้ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย เมืองเนี่ยนะครับชุมชนเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันรู้จักกันหมดเลยบ้านนี้ใครมีลูกหลานชื่ออะไรมีคนแปลกหน้ามาปุ๊บมันรู้เลยแต่พระเนี่ยจะไม่รู้เพราะว่าพระเนี่ยท่านเวียนไปเวียนมาครับบางทีพันษานี้มาจำวัดอยู่ที่นี่พัรษานึงย้ายไปอยู่ที่หนึง่งพระาะม่เขาก็ฉลาดเขาก็ฉลาดนะเขาบอกโอ้ยอย่างนี้ปลอมตัวเป็นพระดีกว่าคนไทยจะได้มีรู้เขาปลอมตัวเป็นพระมาะนะครับคราวนี้ เอาละครับเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่ามันต้องมีสายลับพม่ามาแน่นอนเลยแต่ไม่รู้จะแยกยังไงครับพระเจ้าอยู่หัวสมัยนั้นก็เลยสั่งบอกว่า <c oughs> เอางี่พระไทยโกนคิ้วให้หมดโกนคิ้วหมดเลยพอโกนคิ้วหมดขาวนี้รู้เลยครับพระไหนมาแล้วมีคิ้วอันนี้สายลับครับพม่าปลอมมานะครับนับแต่นั้นเป็นต้นมาพระไทยก็เลยต้องโกนคิ้วมาโดยตลอด น, นี่เป็นสาเหตุเวลาอีกหน่อยพวกเราไปเที่ยวพม่าไปเที่ยวแถวลาวแถวขเขมรแถวอะไรเงี้ยเราไปเจอพระเราจะได้ไม่งงเอ๊ะทาไมประเทศหรือพระจีนนี้เห็นไหมมีคิ้วเห็นไหมครับพระวัดเส้าหลินคิ้วยาวเลยนะครับถ้าเราดูหนังกําลังภายในเนี่ยนะครับคิ้วจะยาวมากนะเพราะว่าเขาไม่ได้โกนนะของเรานี่โกนคิ้วนะเพราะฉะนั้นพวกเราเตรียมใจไหมนะเราก็จะ หน่าล้นๆหน่อยหนึ่งนะฮะน่ารักไปอีกแบบหนึ่งอ่ะแล้วพวกเราตั้งใจจะบวชนี่อยากคาดหวังอะไรมั่งบวชให้ในหลวงโอ้ดีมากเลยบวชให้พ่อแม่ดีมากๆครับบวชอะไรทําบุญไทยบาปเลยครับหนูไปทาบาปอะไรมาเยอะหรือเปล่าลูกกับเพื่อนเหรอครับไปแกล้งจับจิ้งจกใส่เพื่อนเหรอ อ่ามีเหตุผลอื่นไหมครับเหตุผลว่าอะไรครับลู ก, ออกลนึกไม่ออกแล้วว่านึกไม่ออกแล้วเมื่อกี้นึกออกเหตุผลอะไรครับลูกบวชให้ยายหายเป็นมะเร็งโอ้อนุโมทนาใจดีมากเลยลูกบวชให้เพราะอะไรครับลูกบวชให้ยายเหมือนกันเลยดีมากเลยโอ้มีแต่เด็กจิตใจดีแต่เมื่อกี้ได้ยินแววๆมีคนบอกว่าจะได้ไปเที่ยว <laughs> เออแต่จริงนะจริงนะเราก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศใช่ไหมอ่าเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนไปเข้าค่ายเนาะสนุกสนานกันใหญ่นะครับนี่เวลาไปบวชจริงๆนะคุยกันเยอะไม่ได้นะเป็นพระนี่ยนะครับเขาต้องสำรวมนะครับถ้าเรานึกถึงเราเคยเห็นพระบินทบาทไหมครับเคยครับพระบินทบาทนี่เขาเดินยังไงครับเขาเดินเรียบร้อยไหม เออถ้าพระเดินมีตาบ่าแล้วเดินอย่างเงี้ยเนีเราจะนับถือเขาไหมเราก็ไม่นับถือใช่ไหมเหมือนกันนะถ้าเราเป็นเนนนะเราเป็นเนนแล้วเราไปชกๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยเขาจะเรียกไม่เรียกว่าเนนเขาเรียกว่าลิงนะครับอ่าพวกเราอย่าอย่าเข้าใจผิดเราจะบวชเพื่อไปเป็นเนนเราไม่ได้บวชเพื่อเป็นลิงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเอาความเป็นลิงเราเก็บไว้ที่บ้านก่อนใส่ลิ้นชักก่อนแล้วตอนเป็นเนนก็ต้อง เรียบร้อยสุภาพนิดหนึ่งนะครับต้องเชื่อฟังโอเคทีนี้คุณลุงถามนิดหนึ่งอย่าเพิ่งคุยกันคุณลุงแก่แล้วเดี๋ยวคุยคุยสู้กับพวกเราไม่ได้พวกเราพวกเยอะกว่าคุณลุงนะครับคุณลุงถามน้องที่อยากบวชให้คุณยายที่เป็นมะเร็งหน่อยหนึ่งใช่ไหมคุณยายเป็นมะเร็งใช่ไหมลูกทำไมถึงคิดว่าบวชแล้วจะช่วยคุณยายได้อา ลองลองถามความเห็นดูหน่อยหนึ่งไปฟังมาจากไหนครับหรือเขาบอกว่ายังไงอ๋อครับอ่าเอาละเหตุผลดีมากเมื่อกี้เพื่อนเราเขาบอกว่าอาจ การบวชไม่ได้ทําให้ะเร็งหายไปได้อาจจะไม่ได้ทำให้มเมล็งหายไปได้แต่ว่าช่วยให้เราอยู่กับคุณยายได้อย่างคุณยายเขาจะอะไรอ่าอย่างงี้คุณลุงอธิบายให้ฟังเวลาที่เราไปบวชนะครับเวลาที่เราไปบวชเราถือว่าเราไปทําบุญพวกเราพวกเราเห็นตรงกันไหมเราไปทําบุญเราไปทําสิ่งที่ดีนะครับเวลาที่เราทําสิ่งที่ดีเนี่ย ทำไมถึงมันถึงเรียกว่าเป็นบุญก็เพราะว่ามันทำให้จิตใจของพวกเราเนี่ยสูงขึ้นดีขึ้นนะครับอย่างเรานึกถึงคนอื่นก่อนตัวเราเองเราบวชให้พ่อแม่บวชให้คุณยายบวชให้ในหลวงไหมครับแปลว่าเราเสียสละความสบายของเราเองเสียสละโอกาสที่เราจะได้นั่งเล่นเกมดูทีวีอยู่กับบ้านอ่านการ์ตูนนะครับเราไปอยู่ในสถานที่สถานที่หนึ่งเราไป อยู่ในเพศของการเป็นเนะ น, นะห่มจีบอนะไม่กินข้าวเย็น ه, เรื่องใหญ่เลยเห็นไหมเราต้องฝึกความอดทนใช่ไหมครับเราต้องฝึกความอดทนต้องห้ามความอยากของตัวโอ้โหพอพูดเรื่องไม่กินข้าวเย็นแล้วเสียงหึงเลย <laughs> เอาใจเย็นๆลูกใจเย็นๆยังมีเวลากินได้อีกหลายวันนะครับ อาใจเย็นเนอ่อาสงบสงบก่อ น, นิดหนึ่งลูกเอาเงียบเงียบก่อนเงียบเงียบก่อนจะได้อธิบายให้ฟังต่อสงบก่อนนิดหนึ่งแม่อพอไปไปจี้จุดจุดอ่อนเรื่องเข้าเย็นปุ๊บนี้ต้องคุยกันเลยนะอมไม่เป็นไรนะครับอ่าทีนี้ถามว่ามันได้บุญในเรื่องอะไรอีกเราได้สละความสบายเราคิดถึงคนอื่นที่มีบุญคุณกับเราใช่ไหมครับคิดถึงยายคิดถึงพ่อแม่คิดถึงในหลวงเรา ได้ไปฝึกความอดทนนะครับที่เราจะอดข้าวเย็นนะเปลี่ยนความเคยชินของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบารมีตัวหนึ่งนะพระพุทธเจ้าก็เคยทํานะครับเขาเรียกว่าเนคขมมะบารมีนะครับเนคขมมะคือการออกจากความคุ้นเคยในเรื่องการทั้งหลายนะครับเรื่องการมันเป็นเรื่องของว่าแล้วเนี่ยเราเราชอบดูทีวีใช่ไหมชอบดูทีวีชอบดู TV, บดการ์ตูนในทีวีสมมตินะครับ อ่าจะดูเจ้าหญิงเอลซ่าหรืออะไรก็ตามแต่ละนะครับถ้าเราชอบดูนะอะ่าเด็กผู้ชายเขาดูการ์ตูนอะไรกันเดี๋ยวนี้โคนันเ <Conan, S 2> หรอโวเกมอนนะครับอ่าเห็นไหมอะไรก็ตามที่เราเคยชอบแล้วเราสละความสุขตรงนั้นออกไปได้เนี่ยเราได้เนคขมมะบารามีแล้วนะครับอืม คุยให้เด็กฟังนี้ยากเวียดนะเป็นประสบการณ์ปกติแล้วจะคุยแต่คนวัยอายุแบบสี่สิบอัพนะฮะพอมาเออมาเจอปอสี่แล้วงงเลยนะครับอาพวกเรามีอะไรถามไหมมีอะไรอยากถามบ้างครับอว่าไงลูกถามว่าอะไรอันนี้เป็นคำถามใช่ไหมอาเป็นคำถามว่าจะถามว่าอะไรดีใช่ไหมโอ้อาเพื่อนเพื่อนช่วยตอบ เพื่อนเราหน่อยแล้วก็ถามว่าอะไรดีเป็นคำถามจริงๆด้วยนะครับ <laughs> จริงเนอะเออเขาก็พูดถูกนะเขาเป็นคำถาม <laughs> อ่าบอกว่าอ่าพวกเรามีใครจะถามอะไรบ้างเขาก็ยกมือแล้วเขาก็บอกว่าถามว่าอะไรดีนี่เป็นคำถามเห็นไหมนี่คือคำถามแล้วแต่ไม่มีคำตอบให้นะครับอยากถามอะไรลูกไม่เอา ทำอะไรไหมอู้คนนี้หน้าตาคุ้นมากเลยอยากรู้เรื่องเนียนอะไรอีกมั่งครับอา้าวคนนี้ยกมืออีกแล้วอา้าวเนียนต้องกดคิว้วอ่าททำไมเนียนต้องกดคิว้วเพราะว่าก็เหมือนที่เรื่องของพระที่เมื่อกี้คุณลุงเล่าให้ฟังครับอ่ แต่จริงๆแล้วจะบอกว่ามันมีประโยชน์ทำไมเขาถึงต้องโกนต่อๆกันมาเพราะเขาคิดว่าคนเราห่วงคิ้วเราเนี่ยเพราะเรื่องของห่วงหน้าตาห่วงความหล่อเห็นไเรากลัวว่าเราจะไม่หล่อกลัวว่าจะไม่สวยกลัวว่าจะไม่น่ารักก็โกนไปมันก็เป็นการสะละออกไปสะละทิ้งออกไปเลยสห็นะหมครับอีกได้ไหม <laughs> อา้าว เพื่อนเราก็ถามว่าแล้วคิ้วจะงอกอีกได้ไหมได้ฮันหนูหนุกหนุเคยตัดผมไหมลูกไม่เคยตัดผมเหรอ <laughs> เคยแล้วสิต้องเคยแล้วแล้วผมมันก็งอกได้เองนะครับถามว่าอะไรครับทำไมเนต้องผมจีวอนอ๋อเนต้องผมจีวอนเออถามดีมากเลยนะครับคือจริงๆแล้วอ่าอาเดี๋ยวฟังก่อน สงสารลุงหน่อยสงสารลุงหน่อยใจยเย็นๆเงียบๆก่อนลูกเงียบๆก่อนเพื่อนอุตส่าห์ถามแล้วเดี๋ยวจะตอบให้เราจะได้ฟังด้วยกันนะครับอืมเพื่อนถามว่าทำไมเนนต้องห่มจีวรก็เพราะว่ามันเป็นเครื่องแบบของนักบวชนะครับเครื่องแบบของนักบวชนักบวชมีอะไรบ้างพระก็เป็นนักบวชเห็นไหมแม่ชีก็เป็นนักบวชอะไรนะ พราหม์หอหรือสีอ่าได้เพราะฉะนั้นมีเครื่องแบบมีเครื่องแบบเนนก็มีเครื่องแบบเหมือนกันคุณลุงเคยเห็นเนนอยู่วัดนึงนะไปที่วัดตอนที่คุณลุงบวชอยู่นะหอมจีวรเก่งมากเลยหอมเก่งกว่าคุณลุงอีกนะครับวิธีการหอมจีวรเขาจะมีวิธีอยู่ก็ต้องจับผ้าขึ้นมานะครับผ้า3ามชิ้นใช่ไหมอ่าต้องมีผ้า3มชิ้นนะอย่าไปนุ่งชิ้นเดียวนะโป้นะอ่าอันตรายนะครับ อแล้วมันต้องมีการมว้วนต้องมีการจับต้องมีการดึงแล้วก็มีการโยนนี่นะครับเนนเก่งมากนะครับเก่งกว่าพระถามว่าอะไรคะลูกถ้าชีนุ่งผ้าเหลืองจะต้องมีสีลกี่ข้อโอ้ถ้าชีนุ่งผ้าเหลืองต้องมีสีลกี่ข้อคืออย่างนี้นักบวชในศาสนาพุทธเนี่ยอ่าอ่ฟังก่อนฟังก่อนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร นักบวชในศาสนาพุทธนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีภิกษุภิกษุณีแล้วก็มีเป็นเนนนะครับเนเ น, เนเนี่ยเขาจะรักษาศีลแค่10ข้อแต่นี้ด้วยความเป็นชีเนี่ยชีชีนะครับชีก็รักษาศีลสิเหมือนกันแต่ถ้าไปห่มเหลืองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภิกษุณีครับไม่ใช่แม่ชีคนละแบบกันนะครับภิกษุณีเนี่ยศีลเยอะกว่าพระอีก ใครรู้มั้งว่าพระศีลเท่าไหร่พระนะสองรยเท่าไหร่ลูกใกล้เคียงละสองรยยิบเจ็ดเก่งมากเลยตบมือให้เพื่อนน้อยแล้วรู้ด้วยอะ่ะเก่งมากเลย<ร>เคยบวชแล้วลูกถึงเคยบวชมาสองรอบแล้วแล้วตอนนั้นบวชเป็นเนรหรือเป็นพระครับรเป็นเนรนะครับใน<ร> <laughs> ว่าไปบวชเป็นพระได้นะครับอ่า พระมีสองรอยี่สิบข้อพิกซูนีครับพิกซูนีถ้าเกิดเป็นผู้หญิงไปห่มเหลืองโกนผมอะไรเงี้ยนะครับสายหมายพุทธการศีลเยอะกว่านั้นอีกแต่คุณลุงจำไม่ได้ว่ากี่ข้อสามร้อยสามร้อยสาสิบเหรอประมาณนั้นแหละประมาณสามร้อยกว่าข้อนะครับจะเยอะกว่าพระนะเพราะนั้นเราไม่ต้องลำบากหรอกครับเอาสิบข้อสิบข้อให้ได้ก่อนเนาะสิบข้อก็บุญเยอะแล้ว อ่าคนไหนก่อนไทำไมเนนต้องอดข้าวเย็นครับเฮ้ทำไมเนนต้องอดข้าวเย็นครับใครอธิบายให้เพื่อนฟังได้บ้างครับฝึกความอดทนครับอ่าฝึกความอดทนหนึ่งครับสละความสุขโอ้โหตอบแบบมีหลักการมากดีมากครับมีอีกไหมมันเป็นศีลครับเพราะมันเป็นศีลครับนี่ต้องเป็นนักกฎหมายต่อไปนะครับอ่าอนี้นะครับ เดี๋ยวเอาคำตอบให้จบก่อนทำไมเนนต้องอดข้าวเย็นครับเพราะมันเป็นศีลเพื่อฝึกความอดทนเพื่อสละความสุขใช่ไหมอะไรนะอ๋อคับครับครั บ, บอ่ามีผลดีกันจริงไหม <laughs> <laughs> ชอบเด็กคนนี้มากเลยเดี๋ยวกลับบ้าน ยกมือเสร็จแล้วพอเอามือเอาไม้ไปให้เขาเ็าจะาาน่ารักดีอ่าทราบไหมว่าตกลงเหตุผลคืออะไรอีกทำไมต้องกินยังไม่ถามนั้นต่อไปเอาเข้าเมื่อกี้ให้จบก่อนนะครับใจเย็นเย็นเย็นเย็นเอาอาจริงๆนะมีคำตอบยังยังไม่ได้ถามลูกต้องตอบเรื่องเนนไม่ทานข้าวเย็นก่อนอันเดี๋ยวฉเฉลยให้ฟัง พระพุทธเจ้าออกแบบชีวิตนักบวชนะครับบอกไว้ว่าการออกมาบวชเนี่ยเพื่อจะได้ขัดเกลากิเลสตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการขัดเกลากิเลสตัวเองเนี่ยท่านก็ไม่ได้ว่าบอกว่าห้ามกินข้าวเลยนะอันนั้นมันโหดไปเพราะท่านเคยทำมาแล้วมีช่วงหนึ่งนะครับมีตั้งหลายปีที่พระพุทธเจ้าเคยไปบาเพ็ญทุกรกิริยา แปลว่าการไปทรมานร่างกายตัวเองครับท่านทำอะไรบ้างโอ้ oh, อันนั้นเป็นข้อหนึ่งเก่งมากออดเข้าอาหารโอ้โหใช้ลิ้นดันเพดานปากเก่งมากกัดฟันเก่งมากทำอะไรอครับ อ๋ออันนั้นคุณลุงไม่ได้ไม่ได้อ่านเจอตรงนั้นมีอีกอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทำครับไม่เข้าห้องน้ำเลยไม่ใช่ครับยังไม่มีครับไม่มีครับแล้วอย่าไปทดลองทำเองนะครับทรมานอะไรด้วยวิธีไหนครับ อดอาหารเมื่อกี้มีคนตอบแล้วอีกอย่างหนึ่งครับทำอะไรครับท่านทำอะไรครับอะไรนะครับชี่ต้องโกนคิวไหมอันนี้ไม่ใช่คำตอบอันนี้เป็นคำถามใครรู้บ้างว่าพระพุทธเจ้าอดไม่ใช่อดข้าวอดน้ำนี่รวมกันครับมีอีกอันหนึ่งที่ท่านทำคือการกลั้นลมหายใจ ท่านกลั้นลมหายใจครับก็เกือบตายครับแต่ไม่ตายถ้าตายนี่พวกเราลำบากเลยครับเราไม่มีศาสนาพุทธนี่เราลำบากเลยโอ้ไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้จักคำสอนท่านจริงๆเราจะรู้ว่าท่านมีบุญคุณกับเราเยอะมากนะครับในโลกนี้เนี่ย ศาสนาอื่นก็ดีนะแต่ดีแบบของศาสนาอื่นนะครับศาสนาพุทธเนี่ยดีกว่าศาสนาอื่นตรงที่ว่าเราถ้าเราทำอย่างตามที่พระเจ้าสอนจริงๆนะวันหนึ่งเราจะพ้นทุกข์ได้จริงๆนะครับศาสนาอื่นเนี่ยไปได้สูงสุดไปสวรรค์ครับไปแค่ไปอยู่บนสวรรค์เสร็จแล้วพออยู่บนสวรรค์นนะสักวันหนึ่งก็ต้องลงมาครับให้เรานึกถึง นึกนึกถึงนึกถึงในหลวงก็ได้ในหลวงดีมากเห็นไหมครับท่านเป็นคนที่ประเสริฐมากท่านอยู่ในสถานะของการเป็นกษัตริย์นี่เป็นเหมือนสมมุติเทพนะครับก็เหมือนกึงก่งๆจะเรียกว่าอยู่บนสวรรค์ก็ได้แต่ท่านทำทำประโยชน์ให้มนุษย์เยอะมากแล้วสุดท้ายวันหนึ่งท่านก็ต้องหมดวานละครับท่านก็จากโลกนี้ไปเห็นไหมชั่วข่าวคือท่านก็เวียนไปแล้วก็จะเวียนขึ้นแล้ววันหนึ่งท่านก็จะลงมาใหม่ ต้องเวียนขึ้นเวียนลงเพราะฉะนั้นมันไม่พลนะยังไม่พลท่านเลยเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นะครับท่านจะต้องมาทำประโยชน์ให้พวกเราอีกมาช่วยพวกเราอีกนะครับโอเคงั้นได้คำตอบแล้วนะว่าพู้เจ้าทำไมถึงให้อดข้าวเย็นนะครับคือต้องท่านต้องการฝึกให้พระของท่านเนี่ยมีความอดทนไม่มกักมากวันหนึ่งกินสองมื้อพอแล้ว นะสองมือ้อคือมื้อเช้ากับมื้อกลางวันห้ามกินเกินตอนเที่ยงนะเที่ยงปุ๊บต้องหยุดเลยนะครับอา้าวถามทำไมต้องกินในบาตรครับ อ, อ๋อจริงๆเรื่องการกินในบาตรก็เป็นธรรมเนียมที่พระเจ้าสอนว่าต้องต้องอธิบายอย่างนี้บางวัดก็ไม่ได้กินในบาตรนะบางวัดก็กินในจานนี่แหละนะครับทีนี้มันเป็นธรรมเนียมของแต่ละวัดนะ แต่เวลาที่รับบินทบาตต้องรับจากบาทเท่านั้นเราถือจานไปนะฮะเอาอับข้าวเอาปิ่นโตไปอย่างเงี้ยไปใส่ไปรับมาหารไม่ได้ต้องใช้บาทเพราะพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระของท่านมีทรัพย์สินเยอะนะครับของที่ใช้เนี่ยท่านให้ใช้เท่าที่จำเป็นผ้าก็มี3มชิ้นนะครับจีวอ สบงจีวรสังขารติคือผ้าผ้าผ้าเขาเรียกผ้าทาบนะครับที่เวลาเราไปเราดูตอนที่พระไปสวดให้ในหลวงนะเขาจะมีผ้าเป็นแถบแถบอันหนึ่งนะฮะผ้าผไหลไปนะอันนั้นนะ่ะเอาไว้ใช้เป็นผ้าหม่มเวลาที่พระเขาหนาวเขาจะเอามาคลี่ออกมาแล้วก็มาห่มนะครับเออแล้วก็ที่เหลือก็มีบาทนะที่เหลือก็มีอะไรอีกอะ หม้อกรองที่กรองน้ําแต่ยุคนี้ไม่ต้องละเราน้ำเราดื่มจากขวดได้มันสะอาดสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องไปดื่มจากตามบ่อน้ําแม่น้ําลําคลองเนี่ยเขาเลยต้องมีที่กรองนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมีจริงจกไสเดือนอะไรเข้าไปอยู่ในน้ําด้วยเนาะลำบากอร่อย <laughs> รถนิยมแปลกๆอ่ะแล้วก็มีอะไรมีเข็มเด็บผ้านะครับมีได้มี ผ้าปูนั่งนะครับมีรัดประคตเอวมีแค่เนี้ยไม่ต้องมีเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ไม่ฉันในบาทเราต้องผ้าต้องมีอะไรครับผ้าต้องมีจานใช่มมีจานเสร็จเดี๋ยวต้องมีชามช้อนะต้องมีมีอยู่แล้วแต่สมัยพุทธกาลท่านไม่ได้ใช้ช้อนนะท่านก็ใช้มือคนอินเดียทุกวันนี้เขาทานข้าวกันเขาก็ยังใช้มืออยู่เลย เพราะใช้มือครับเพราะฉะนั้นเราต้องล้างมือก่อนฉัน <laughs> อย่าลืมนะถึงจะใช้ช้อนก็ควรจะล้างก่อนนะครับอ่มีคำถามอะไรอีกให้ข้างหลังมั่งเดี๋ยวน ะ, อะเอาไปข้างหลังก่อน<พ>เอาฟังเพื่อนหน่อยลูกฟังเพื่อนหน่อยครับฟังเพื่อนหน่อยเชิญลูกทำไมพระต้องห่มจีวรสีส้มอ๋อ จีบอจริงๆแล้วมันมีหลายสีครับสีสีส้มๆเนี่ยมันเป็นสีของสีของทางวัดที่เขาเรียกว่ามหานิกายนะครับถ้าเป็นวัดสายธรรมยุทธ์เนี่ยสีมันจะออกหม่นกว่านั้นหน่อยนึงนะครับมีตั้งกต่สีกลักสีกลักจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับแล้วก็สีที่อ่อนกว่านั้นจะเป็นสีเขาเรียกว่าราชนิยมนะครับจริงๆมันมีหลายโทนขอให้เป็นโทนออกไปสีสีออก น้ำตาลอมเหลืองอมเะไใช้ได้หมดนะครับจีวรพระดีนะเห็นไหมพวกเราแต่งดากันเต็มเลยเห็นป่าคุณลุงศึกมาแล้วก็ต้องแต่งดาตอนเป็นพระไม่มีใครบอกเลยว่าให้พระไว้ทุกข์ด้วยการห่มจีวรดำนะครับไม่มีเครื่องแบบพระเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะเราใช้เครื่องแบบชุดเดียวเที่ยวรอบโลกนะครับหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวใส่ชุดแบบเดียวกันหมดนะไม่ต้องมีแฟชั่นวีคฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาคนที่ไม่เคยถามก่อนคนที่ไม่เคยถามทาไมพระกับเนไม่ใส่กางเกงในครับออรู้ไหมว่าคุณลุงก็สงสัยอย่างเดียวกันเลยสงสัยอย่างเดียวกันเลยคืออย่างนี้ครับอ่อคืออย่างนี้ ศาสนาพุทธเกิดมา2000กว่าปีแล้วคนสมัย2000กว่าปีก่อนเขาไม่ได้ใส่กางเกงในกันนะครับนั่นคือเหตุผลหนึ่งเหตุผลที่สองเหตุผลที่2 อ, อายุนี้อายุนี้มันมีกางเกงนะทำไมถึงมีก็บอกอย่างที่อธิบายให้ฟังพระพุทธเจ้าออกแบบชีวิตของพระให้มีของน้อยๆท่านไม่ให้มีอะไรสะสมเยอะเพราะฉะนั้นการเพิ่มผ้ายุคหลังเนี่ยมีเพิ่มอยู่แล้วนะเขาเรียกว่าอังสะครับ อังศาเนี่ยเหมือนเสื้อกล้ามพระเหมือนเสื้อกล้ามพระอาจจะเป็นผ้าตรงๆนะแล้วเขาก็พอพับครึ่งปึ๊บมาปุ๊บนะเขาก็จะเอาหมุดมาติดไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็สวมอย่างนี้เลยนะสวมก็อยู่เป็นเสื้อกล้ามอยู่ข้างในเนี่ยมีเยอะแล้วถ้ามีเยอะกว่า น, นี้จะไม่ดีแล้วจะบอกความลับให้ว่าคุณลุงชอบมากเลยไม่ใช่ชอบที่ไม่ได้ใส่กางเกงในนะ แต่ชอบเพราะว่าเวลาเข้าห้องน้ำนะเมื่อก่อนนะเวลาเราอย่างเงี้ยเราใส่กางเกงเราต้องทำไงปลดกระดุมรูดซิฟถอดตรงนี้ดึงกางเกงในลงกว่าจะได้เห็นไหมโอ้มีวันหนึ่งคุณลุงท้องเสียครับท้องเสียครับเขาเรียกว่าฆ่าศึกมาประชิดประตูเมืองนะประตูเมืองจะแตกแล้วจะทำยังไงดีเราต้องรีบเดินไปเข้าห้องน้ำพระห้ามวิ่งนะครับวิ่งอาบัตนะ ต้องเดินรีบเดินไปเข้าห้องน้าเดินอย่างนี้ครับเดินไปแล้วก็หนีบไปเรื่อยๆนะครับนี้พอหนีบไปปุ๊บนึกถึงต้องไปเปิดประตูก่อนเปิดประตูเข้าไปเข้าไปในห้องน้ำกำลังจะนั่งลงถ้าเป็นคารวาธรรมดาอย่างพวกเราต้องไปนั่งแกะกระดุมถอดซิป่ น, นีของพระนะครับจับชายปุ๊บยกปุ๊บนั่งเลยครับสบายมากเลยเร็วมากเลยเห็นไหมไม่ยุ่งยากนะครับเพราะฉะนั้น พระเลยมีพระวินัยหนึ่งข้อว่าเวลาขับถ่ายจะต้องนั่งเสมอครับยืนไม่ได้ห้ามยืนแต่แต่เน น, นิคคุณลุงไม่รู้นะอใช่ห้ามยืนฉี่ครับต้องนั่งครับตอนเป็นพระนะตอนเป็นพระอ้าวใครยังไม่ได้ถามอีกอ่ข้างหลังให้ให้ให้เพื่อนผู้หญิงเขาถามมั่ง จังหวัดถึงต้องทำไมพระต่างจังหวัดถึงต้องให้พรตอนตอนที่อยู่ในวัดเท่านั้นน่ะอ๋ออะฟังเอาเพื่อนถามดีมากเลยเพื่อนถามว่าทาไมพระต่างจังหวัดถึงต้องให้พรตอนที่อยู่ในวัดเท่านั้นนะครับน่าจะหมายถึงว่าเวลาที่ญาติโยมมาใส่บาตรนะพระก็จะไม่ได้ให้พรนะครับ จริงๆแล้วเราให้พรคุณลุงก็ไปเป็นพระต่างจังหวัดเพราะไปอยู่ชนบุรีนะครับในข้อเออขาเรียกว่าศีลของพระนะครับมันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นมารยาทของพระท่านจะห้ามแสดงธรรมริมถนนครับไปยืนริมถนนแล้วแสดงธรรมไม่ได้นะครับงนั้นการให้พรจริงๆเราคิดว่าเป็นการให้พรแต่จริงๆมันคือการแสดงธรรมครับเวลาเราใส่บาตรพระให้พรว่ายังไง อะพีวาธานาศีลิสนิจังวุท ธ, ธาปจายุโนจตาโรธรมมาวัฒนติยุวันโนสุขังพละโอเก่งจังเลยให้พรได้แล้วแปลว่าอะไรครับพรสี่ประการคืออายุวันสุขขงังเออใช่ไหเออใช่อายุวันคืออายุวันนะสุขขังพละย่อมฟังยืนแก่ผุ้คนผู้มีปกติไหวกะ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดตกลงเป็นพรหรือคำสอนครับเป็นคำสอนสอนให้เรารู้จักอ่อนน้อมนะครับไหว้ผู้ที่ควรไหว้เพราะฉะนั้นการแสดงธรรมริมถนนทำไม่ได้นะครับ mm. ก็เลยต้องมาอนุโมทนาในใจหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเราคิดพระพักไม่ได้ให้พรจริงไม่ใช่คุณลุงเป็นพระรับบาทปุ๊บปิดบาทคุณลุงให้พรเสมอแต่ให้ในใจครับ ให้ในใจนะครับก็จะนึกอยู่ในใจว่าใจ น, นะแล้วถ้าเขาใส่มาเราก็ไม่ต้องให้สิครับเราก็ไม่ต้องให้เราก็ให้ในใจอ่าใ้หมู่บ้านหลวงพ่อท่านเขก็ให้ฮนะคือบางบางที่บางวัด ท่านไม่ได้เคร่งเรื่องนี้ท่านก็รู้ว่าญาติโยมคาดหวังเพาะบางคนนะใส่บาตรเสร็จนะครับลงมานั่งเลยครับมองหน้าพระอย่างนี้เลยรออยู่ครับว่าเมื่อไหร่พระจะให้พรนะพระบางวัดท่านก็สงสารท่านก็กลัวญาติโยมจะเสียใจท่านก็เอาให้สักนิดหนึ่งนะครับนะ แต่จริงๆแล้วอาบัตแต่มันไม่ใช่ข้ออาบัตร้ายแรงนะครับเป็นอาบัตเล็กน้อยแต่ทีนี้ด้วยความที่วัดต่างจังหวัดที่หนูว่าเนี่ยส่วนมากเป็นวัดป่าพอเป็นวัดป่าเนี่ยเขาจะเคร่งนิดหนึ่งนะครับอถามบ่อยจังเลยคนนี้ถามจริงๆนะทำไมทำไมชีต้องไม่ก่นคิวรู้ได้ไงว่าชีไม่ก่อนคิวอ่ กนกนเหมือนกันแป๊บหนึ่งครับมียกมือแล้วแป๊บหนึ่งด้วยข้างหลังยังไม่ได้ถามทำไมทาไมเราต้องใส่ชุดหน้าก่อนบวชอะครับทำไมเราต้องใส่ชุดหน้าก่อนบวชอ่ะมันมีเรื่องเล่าอย่างนี้อ้าวฟังฟังฟังฟังฟังอันนี้ทานมาแล้วอันนี้ทานมาแล้วมันมีเรื่องเล่า ว, ว่ามีพญานาค นะครับมีพญานาคเนี่ยท่านอยากบวชมากนะครับท่านอยากบวชมากเพราะว่าท่านก็อยากบรรลุธรรมเหมือนกันอยากมาเรียนธรรมะอยากได้ปฏิบัติแล้วก็อยากบรรลุธรรมท่านก็เลยปลอมตัวเป็นผู้ชายชายหนุ่มมาเพื่อจะบวชนะครับพอตอนหลังเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้นะฮะก็เลยต้องถือว่าการบวชนะเป็นโมฆะเพราะว่าถ้าไม่ใช่มนุษย์ จะบวชไม่ได้นะครับเขาถึงบอกว่าการบวชเป็นเรื่องยากและคนที่จะบวชได้ต้องมีบุญนะครับคุณลุงนะับที่เพิ่งบวชมาเนี่ยคุณลุงบวช5เดือนแต่5เดือนเนี่ยคุณลุงรอมา40กว่าปีนะคุณลุงอายุ40กว่าทั้นปีนี้คุณลุงอายุ48่สคุณ ง, ถ, งถึงจะได้บวชก่อนหน้านี้ไม่เคยได้บวชเลยอยากจะบวชพออยากบวชปุ๊บอ่าไม่ได้ยังเรียนไม่จบ พอเรียนจบปุ๊บจะบวชไม่ได้มีงานรออยู่เขาเรียกตัวไปทำงานว่าจะบวชจะลาล า, าไม่ได้บริษัทให้ลาได้แค่7วันไปย้ายที่หนึง่งบริษัทแก้แ ก, กฎหมายแล้วจะลาให้ได้เดือนหนึ่งเราลาออกพอดีนะครับเลยไม่ได้บวชสักทีหนึง่งปุ๊บปั๊บนานนานไปเข้าก็40กว่าปีเห็นไหมการบวชเป็นเรื่องยาก พวกเรามีโอกาสได้บวชแปบลบว่าพวกเรามีบุญนะครับรยิ่งบวชตั้งแต่อายุน้อยนะครับทีนี้พญาน้าคเขาอยากบวชเขาเลยปลอมมาเป็นคนพอรู้ปุ๊บโดนจับศึกเนี่ยเขาเสียใจเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอให้ว่าก่อนที่จะทําการบวชให้ช่วยเหมือนกันยังไงอะให้ให้เขามีส่วนในการบวชเขาจะได้บุญตรงนี้นะครับเขาก็เลยเรียกคนที่กําลังจะบวชว่านาคนะฮะ ว่าเป็นนาคคือก็คืออาศัยเรื่องตรงนี้ทาให้เขามีส่วนได้ในการ อ, อได้อานิสง์จากบุญที่พวกเราบวช ด, ด้วยนะครับห่มขาวก็คือหม่มแต่งชุดนาคจริงๆแล้วมันไม่ได้มีตัวพญานาคมาหรอกนะแต่นี่คือเป็นเป็นศัพท์ที่เขาเรียกกันมานี่เรื่องที่คุณลุงได้ยินมานะครับอ่ะมีคำถามอะไรอีกคือชีกลงผมชีกลงคิ้วใช่ไหมครับแต่ก่อน ชีเขามีส ป, ปายด้วยไปแบบอ๋อคือชีเนี่ยเขาเขาพยายามเดินตามรอยของพระคือพระทำอะไรเขาท่านก็พยายามเหมือนกับว่ายึดหลักเดียวกันไม่งั้นมันก็จะดูแปลกๆอยู่ในวัดเนาะพระไม่มีคิว้วชีมีคิว้วอย่างเงี้ยอาเอาเลยอ้าวข้างหลังนู่นเลยลูกแล้วถ้าไม่ชี ถึงไม่ต้องใส่ชุดหน้าก่อนบวอค่ะทำไมชีถึงไม่ต้องออฟเอออันนี้ไม่รู้เหมือนเพราะว่านาคเป็นผู้ชายมั้งครับ <c oughs> นะครับชีชีก็ใส่ชุดขาวอยู่แล้วเนาะอขอโทษนะคุณลุงตอบไม่ได้ทุกอันนะครับตอบเท่าที่รู้ทำไมพระต้องอยู่ในวัดะคะทำไมพระต้องอยู่ในวัด <c oughs> แล้วทำไมเราต้องอยู่บ้านล่ะลูก <c oughs> ทำไมเราต้องอยู่บ้านนะครับเออก็เป็นวัดก็เป็นที่อยู่ของพระนะครับมันก็เป็นที่อยู่ช่วยอยู่ที่บ้านขอโทษครั บ, รบอา้าวไม่มีคําถามส่งต่อไปครับใครมีก็ถามมาไหนครับเอ่อทำไมถ้าเกิด ชีหอมผ้าเหลืองแล้วมีสีมากกว่าพ้าอ๋อเพราะว่าเป็นภิกษุณีเป็นผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยเวลามาบวชเดิมทีเดิมทีเนี่ยพระพุทธเจ้าอ่ะท่านท่านไม่ได้อยากให้มีนักบวชเป็นผู้หญิงเพราะว่าท่านรู้สึกว่าเวลาที่มีมทั้งผู้ชายและผู้หญิงมาอยู่ในวัดเดียวกันเนี่ยมันคุมยากปัญหามันจะเยอะนะครับแต่องค์แรกที่มาบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยคือพระนาง สิวิริเป็นพระผู้ชายลูกเก่งมากประชาบาดีโคตมีนะครับ mm hmm. พระนางปชาบาดีมีศักดิ์เป็นอะไรครับพระพุทธเจ้ารู้ไหม mm hmm. เป็นน้าเก่งมากไอ้ทำไมเด็กที่นี่เก่งจังเลยรู้เยอะนะครับเป็นพระน้านางก็คือเป็นน้องสาวของคุณแม่ของพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งนะครับคุณแม่ของออแล้วก็เป็นคนเลี้ยงเจ้าชายสิท ธ, ธัตถมาตอนที่พมารดา สวรรดคตไปนะครับเนี่ยแล้วก็มาขอบวชพระเจ้าก็ไม่ค่อยอยากให้บวชเขาพยายามตั้งกฎตั้งกฎยากๆเลยครับว่าถ้าบวชแล้วต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนั้นนะต้องอย่างนั้นนะถ้านางประชาบดีก็บอกว่าทําได้ทําได้ทําได้ทดําได้ทุกท่อเลยนะครับพระเจ้าขัดไม่ได้ก็สุดท้ายพระอา น, นุ์ก็มาขอร้องด้วยก็เลยอนุญาตให้บวชภิกษุณีขึ้นมาได้ แต่ปัจจุบันและปัจจุบันนี้จริงๆแล้วโดยหลักของเถรวาดนะครับเถรวาดหมายถึงว่าสายตรงจากพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับก็คือผ่านพระมหากัสสปะมาเนี่ยเขาตกลงกันแล้วว่าเขาจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ตั้งแต่ต้นนะครับนั่นคือเหตุผล ว, ว่าทำไมทุกวันนี้จริงๆแล้วศีล227ข้อบางข้อไม่ได้ใช้หรอกครับเพราะว่า อย่างข้อบางข้อเขาบอกว่าห้ามาใช้ภิกษุณีที่ไม่ได้เป็นญาติไป เ, เย็บจีวรให้หรืออะไรเงี้ยศีลอย่างเงี้ยเพราะปัจจุบันนี้ภิกษุณีไม่มีแล้วเขาก็ยังไม่ได้ตัดออกเพราะอะไรเพราะเขายึดถือมติของสงฆ์ตั้งแต่เมื่อนู่นแหะครับหลังครูพระเจ้าปรินิพานได้ประมาณ3เดือนเขาสั่งขยานากันทีหนึ่งแล้วเขตกลงกันโหวตกันแล้วนะครับว่า จากนี้ไปจะไม่แก้ไขอะไรจะไม่ตัดจะไม่ถอนอะไรนะครับก็ยึดตามนั้นมาภิกษุณีก็เลยปัจจุบันนี้เลยไม่สามารถจะบวชได้โดยหลักของเถรวาทเพราะว่าข้อหนึ่งกดข้อหนึ่งคือว่าถ้าจะบวชภิกษุณีต้องมีทั้งในงานบวชนะต้องมีพระมาสวดให้แล้วต้องมีภิกษุณีมาสวดให้ภิกษุณีหมดแล้วเลยสวดไม่ได้นะครับ ส่วนไม่ได้แล้วก็เลยต้องไปบวชเป็นชีเอาถ้าเกิดว่าอยากจะบวชอีกสองคำถามข้างหลังหนุ่มหนุ่มฐานถามยังลูกถามแล้วมีใครยังไม่ได้ถามมีครับคนนี้เดี๋ยวครับหนึ่งสุดท้ายคนนี้ทำไมแม่ชีถึงศีลอยกว่าพระล่ะครับทำไมแม่ชีถึงศีลอย่ากัพระล่ะครับเพราะว่าแม่ชี จริงๆเขาเขาถือว่าแม่ชีอ่ะเป็นเป็นผู้หญิงที่ถือศีลแค่สิข้อคือเพราะว่าเราบวชเป็นภิกษุณีไม่ได้ไงครับเมื่อกี้เหมือนที่คุณลุงอธิบายโดยกฎตอนเนี้ยบวชเป็นภิกษุณีไม่ได้ก็เลยไม่จําเป็นต้องไปถีถสือศีลเยอะขนาดนั้นไม่รู้จะมีคําอธิบายดีวันนี้ได้ยังไง <c oughs> คุณลุงก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมเขาไม่ถือศีลให้เยอะกว่านั้น เนะเอาเอาเข า, าแค่พอดีพอดีก็แล้วกันอ้าวขอบคุณครับถามว่าคําถามสุดท้ายเอาให้เด็ดๆ เ, เลยนะทําไมพระถึงห้ามรับสตังค์ครับทําไมพระถึงห้ามรับสตังค์เพราะว่าพระพผู้เจ้าห้ามไว้อันนี้ตอบแบบกําบ้านทุบดินนะครับแต่ถามว่าแล้วทำไมพระผู้เจ้าถึงต้องห้ามเพราะว่าพระผู้เจ้าถือว่าเงินเนี่ยเป็นอันตรายครับท่านใช้คําว่าเป็นวัตถุอานามาศ วัตถุอนามาตคือวัตถุที่สิ่งที่พระนักบวชไม่ควรจะไปจับต้องนะครับมีอะไรบ้างผู้หญิงครับผู้หญิงเป็นวัตถุอนามาตของพระนะครับสมมติคุณพ่อเราไปบวชนะครับคุณพ่อจะมาแตะหัวเราลูบหัวเราไม่ได้นะครับห้ามครับเพราะว่าเขาถือว่าผู้หญิงเป็นวัตถุอนามาตลูกชายได้ครับ อือ่าทีนี้ถามว่าทำไมบางวัดอ่าฟังฟังวางฟังก่อนฟังก่อนถามว่าทำไมบางวัดก็เคยเห็นพระจับเงินนะครับบางที่เราเคยเห็นพระจับเงินนั่นเป็นเพราะว่าท่านไม่ได้เคร่งเรื่องพระวินัยข้อนี้คือในพระวินัยนะมันจะมีศีลบาศีลที่เขาแบ่งเป็นหลายหลายกลุ่มนะครับศีลกลุ่มหนึ่งคือศีลที่ผิดไม่ได้เลยเขาเรียกว่า ปาราชิกนะครับถือถ้าผิดปุ๊บเนี่ยถือว่าปาราชิกนี่คือขาดจากความเป็นพระเลยหรืดโดนประหารชีวิตประหารชีวิตนี่หมายความหมายคือว่าให้สึกครับขาดจากความเป็นพระตายจากความเป็นพระไปกลับไปเป็นคนธรรมดาบวชไม่ได้อีกเลยนะครับอันเนี้ยสี่ข้อมีอยู่สี่ข้อนะครับโอถามเลยเหรอ <laughs> เดี๋ยวอธิบายยาว 4ข้อคือหนึ่งห้ามเสพเมถุนห้ามเสพเมถุนคือห้ามมีอะไรกับผู้หญิงะคือห้ามมีความสัมพันธ์ทางเพศนะครับไม่ได้เลยน ะ, ะใช้ศัพท์เป็นทางการมากเาภาษาในพัพี่นายเขามาเป็นอย่างนั้นข้อ2คือห้ามขโมยของครับห้ามหยิบของคนอื่นที่เจ้าของไม่ได้อนุญาต และมีราคาเกินกว่า5มาศก5มาศกนี่เป็นหน่วยเงินสมัยแคว้นมคตสมัยนูน 2, ้น 2,000 กว่า5บาทของเขา5บาทของเขาแต่ว่าตีเป็นมูลค่าของปัจจุบันนี่น่าจะอยู่ประมาณสัก5 6 0ห0บาท5หรือ 6,000 บาทสมมุติเรามีเรามีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งนะครับไตอนนี้เท่าไหร่ละ โอ้โหรู้ดีมากเลยส7 0 0 0ดทำไมรู้เยอะอย่างนี้่า iPhone 7นะครับสามห0ของใครก็ไม่รู้เกิดเราเป็นพระนะั้นแล้วเราไปหยิบขึ้นมาด้วยเจตนาว่าจะเอาไปเป็นของเราต้องมีเจตนาก่อนนะมันไม่ใช่ว่าหยิบปุ๊บนี่ผิดเลยแต่ต้องมีเจตนาก่อนว่า อ, อันนี้แฮปแฮปแฮปของเรา ถ้าไม่ได้เจตนาก็ต้องไปดูก่อนว่าที่ว่าไม่ได้เจตนาแล้วหยิบเพราะอะไรอ่าเช่นบอกว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนลืมไว้แล้วจะมีคนมาขโมยไปก็เลยรักษาไว้ก่อนเพื่อไปหาเจ้าของอย่างนี้ไม่เป็นไรเรารู้จะมันเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์เพราะคนที่ทำแล้วไม่ยอมรับเนี่ยเขาจะไม่มีความสบายใจครับเขาจะทุกข์อยู่ข้างในนะ เคยโกหกคุณแม่ไหมเฮ้ยแล้วตอนโกหกแม่กลัวคุณแม่รู้ไหมอ่ากลัวเห็นไหมครับตอนกลัวเนี่ยใจสงบไหมไม่สงบเห็นไหมครับนั่นแหละและอีกรายอีกอ่าห้ามเสด็จไปถมันห้ามรักทรัพย์เดี๋ยวนะดูสิลืมละบวชมาไม่กี่วันจําได้แต่ข้อสุดท้ายบอกว่าห้ามอวดอุตริมนุษยธรรมเด็ดนะครับข้อทีอะ่ะห้าห้ามฆ่าห้ามพรากชีวิตมนุษย์ ชีวิตสัตว์ผิดรองลงมาครับผิดรองลงมาเขาจะมีปรราชิกนี่คือโดนประหารเลยนะจากความเป็นพระนะแรงที่สุดสังฆทิเศตรองลงมาสังฆทิเศตรองลงมาคือต้องไปติดคุกพระคือต้องไปอยู่อยู่ในที่หนึ่งและห้ามไปไหนเลยนะครับแล้วต้องไปประจานตัวเองต้องไปให้คนมาสวดให้อะไรนี้แล้วก็เ อ, อ อันที่รองลงมาเขาเรียกว่าปาจิตตินิสักิยะปาจิตตีคือถ้ามีความผิดปุ๊บมันต้องเกี่ยวกับวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นไปรับเงินมาเมื่อกี้ที่มีคนถามทำไมพระจับเงินไม่ได้จริงๆถ้าจับปุ๊บเนี่ยเขาถือว่าอาบัตแล้วต้องเอาเงินเนี่ยสละออกให้คนอื่นอะไรนะแต่ก็เหมือนกันหมดเวลาแล้วทำไมเขาใส่เงินประจาเพราะว่าญาติโยมไม่รู้ครับ ญาติโยมไม่รู้สีลข้อนี้ว่าจริงๆพระจับเงินไม่ได้แล้วญาติโยมก็ไม่มีเวลาตื่นเช้าตีสามมาทำกับข้าวแล้วก็ไปใส่แม้แต่จะไปตลาดเพื่อไปซื้อกับข้าวเป็นถุงๆมาไปใส่บาทก็ยังไม่มีเวลาบางทีวันนั้นเขาอยากทำบุญแล้วจะต้องรีบไปรีบไปทำงานต่อเอาควักเงินเลยครับตอนคุณลุงบวชก็มีนะมีญาติโยมอยากมาใส่เอาเงินมาใส่บาทคุณลุงก็บอกว่า ขอโทษด้วยนะครับคุณโยมอาตมารับเงินไม่ได้เพราะว่ามันอาบัติแต่ว่าถือว่าคุณโยมมีเจตนาดีที่คุณโยมจะทำบุญแล้วก็ถือว่าอนุโมทนาด้วยเราก็เดินไปเงินต้องไปมีคนจัดการให้เขาก็จะวัดจะมีตู้เห็นไหมครับเวลาเราไปวัดเขาจะมีตู้ให้เราหยอดเพราะว่าตู้นั้น่ะมันจะมีเขาเรียกว่าวยาวัจกร มีคนที่ดูแลเรื่องกิจการอะไรของวัดเขาไปดูแลแล้วทำบัญชีให้อีกทีครับโอ <Okay. S 1> เคหมดเวลาล้ ว, วันหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเด็กๆต้องไปเรียนต่อแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งมาเดี๋ยวเราจะได้เจอกับคุณลุงแอสตันอีกวันหนึ่ง <Yeah. S 1> ตอนที่เราบวชวันก่อนที่เราจะศึกสองวันคุณลุงแอสตันจะมานะครับมามาถามเราอีกรอบหนึ่ง 13มเอ่อมาถามว่าที่เราบวชนี่เราได้อะไรกันบ้างแล้วที่เราถามถามไปเนี่ยเราเข้าใจกันดีแค่ไหนแล้วก็มาสรุปว่าสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมาบอกคุณลุงด้วยว่าไม่ใส่กางเกงในแล้วชอบหรือเปล่ายังเลยยังยังไปลองดูก่อน ะะวันนี้พวกเราขอข อ, อ, อเป็นคนประเท ศ, เทศไทยอ่ะพวกเราจะขอขอบขอบพระคุณคุณลุงแอสตันนะครับที่วันนี้ได้มาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็เตรียมความพร้อมที่เราจะบวดร่วมกันแล้วก็อนุโมทนาคุณลุงด้วยที่ได้บวชแล้วเดี๋ยวคุณลุงก็จะมาอนุโมทน า, นากับพวกเราด้วยนะฮะครับสาธุสาธุสาธุสาธุสา ธ, สา ธ, สาธุครับ ครับแล้วก็พวกเราขอบคุณครูแอสตันที่มาสอนเราในวันนี้ด้วยด้วยครับ เอาไปทีละแถวครับแถวแรกเดินเลยครับแถวแรกแถวแรกลูกเดินแล้วลูกไปสำหรับผู้ปกครองนะครับจะเขยบมานั่งข้างหน้าก็ได้นะครับหรือจะนั่งด้านข้างจริงๆอ่ะวันนี้จัดให้ผู้ปกครอง ให้พวกเรามาฟังแล้วก็ถามแล้ววัตยมเนี่ยมาขอฟังด้วยก็เลยก็เลยจริงๆก็คืออยากใครอยากถามก็ยกมือนะฮะทุกคนมีสิทธิเท่ากันหมดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับเอาครูคุณจุ่มว่าไง